เจ้าคำหนึ่งคือพูดของนางที่ถามว่าพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักทเกศานั้นพระองค์ทรงพระสมรัมมาสดีอยู่หรือแล้วให้รู้สึกภูมิใจเสียวซ่านแบบระทึกใจเสีมิกรไรใครบ้างจะไม่ภาคภูมิไม่หญิงงามถึงป่านนั้นถามถึงตนและถามต่อหน้าเจ้าของชื่อโดยที่ผู้ถามดีได้รู้จักตัวข้าพเจ้า นอนคำาลึงถึงเธอจนอรุณจวนจะเบิกฟ้าแสงเงินเริ่มชาบทาบตึกสีขาวกันเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าธรรมชาติยังคงนิทราสนิทแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดลาตรีเปิดหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นมะลิและพุดซ้อนยืนต้นสงบนิ่งเรียงรายดอกสีขาวโพดของมันต้องกระแสะลมอ่อนเมื่อรุ่งอรุณแล้วอ่อนไหวน้อย เสมือนต้อนรับการจุมพิษจากแสงทองกลิ่นของมันกระจรกระจายตามกระแสลมพริ้วเข้ากระทบคาณปราสาสตรหอมชวนใจให้เพ้อฝันฝันถึงดรุณีน้อยผู้มีนามวิมนลมาลความงามแห่งพุทซ้อนและกลิ่นอันหอมหวานของมะลิจะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อนหวานแห่งใบหน้าดางได้รหรือ ท่านธรรมชาติจึงสร้างคนบางคนมาให้งามเลิศอลอยฟ้าแต่ก็สร้างคนบางคนมาให้คิริวขิเรจนมองหาความงามในเรือนว่างไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเดียวท่านพอจะทราบความดีลับข้อนี้อยู่บ้างหรือกราชกุมารถ้าถือตามพระมติแห่งพระาศาสดาของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะ ความมีสันฐานรูปร่างสมส่วนความเป็นคนมีรูปงามมองดูไม่จืดไม่เบื่อเหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นที่ดาช่างทองซึ่งข้าพเจ้าหลงรักคงจะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมามากไม่ใช่น้อยก <c oughs> ็น่าจะเป็นอย่างนั้นพระราชกุมารทรงเล่าต่อไปรวมความว่าข้าพเจ้ารักนาง ความรักซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นข้าพเจ้าจะทำประการใดดีเหมือนคนไม่เคยเดินป่าไม่รู้จักทิศทางข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่าสุรนันธานั้นที่แท้ก็คือพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักผมหรือว่าควรจะปกปิดไว้ก่อนคือว่าแสดงตนเป็นสุรนันธะสหายของมหาเด็กต่อไปข้าพเจ้าตรองเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานาน สำหรับคนที่อยู่ในห่วงความรักนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักย่อมเป็นปัญหาใหญ่เสมอแต่ว่าในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าควรจะแสดงตนเป็นสุรนันทะไปก่อนจะดีกว่าและก็ดูเหมือนว่าจะสนุกดีด้วยมหาดเล็กคนนั้นเห็นอาการของข้าพเจ้าก็ยิ้มอยู่ในหน้าแต่ก็ไม่กล้าจะพูดอะไรเป็นเชิงยาวยอ่อเพราะว่าเขารู้จักฐานะของเขาดีหลังจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในนามมหาเล็กของเจ้าชายในระยะนั้นเจ้าชายรับสั่งให้ทําปิ่นปักพระเกศาอันแล้วอันเล่ามิจบสิ้นลงได้และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานางข้าพเจ้ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยเสมอทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่าไปหาขุนศาลตุลาการหนึ่งไปหาครูอาจารย์หนึ่ง ไปหามาดาหรือบิดาของสตรีที่ตนไข่หนึ่งไม่ควรไปมือเปล่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้างสำหรับของฝากนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนที่อยู่ในฐานะอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ากอระมัดระวังไม่ให้ของนั้นดีจนเกินไปเพื่อว่าป้องกันไม่ให้นางสงสัยในฐานะมหาเล็กของข้าพเจ้ารู้สึกว่านางและมาดาของนางรับด้วยความยินดีเมื่อทราบว่า ข้าพเจ้าให้ได้ความเต็มใจอย่างยิ่งและก็เป็นธรรมดาของผู้ที่มีน้ำใจงามเมื่อได้รับเสมอๆก็ย่อมให้ตอบแทนบ้างนางเคยให้ผ้าเช็ดหน้าฉลุอย่างดีอย่างงดงามประณีตแก่ข้าพเจ้าเมื่อยามหลงอะไรๆก็ช่างดีไปหมดข้าพเจ้าจุมพิษผ้าเช็ดหน้าอย่างถนอมพร้อมด้วยน้อมขนึงถึงเจ้าของผู้งามเฉิดฉาย เย็นวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าไปหานางอย่างเคยเข้าพเจ้าเปลยขึ้นก่อนว่าข้าพเจ้าได้ทราบถึงความงามความหน้าพึงพิศแห่งสวนและสระโบกกรณีหลังกระหาดแห่งช่างทองแต่ว่าไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลยทำไนข้าพ เ, เจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสะนั้นนางผู้ไม่รังเกียจที่จะคบข้าพเจ้าตอบว่าเป็นไรไปเมื่อข้าพเจ้าปราถนาเช่นนั้น นางจะพาไปชมเราทั้งสองหมายถึงเธอแลยครับเจ้าเวลานี้ดูเหมือนว่าจะเข้าใจในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกันแล้วเธอได้นำข้าพเจ้าเข้าสู่สวนซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้นาน า, นาพันธุ์และประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีสระโบกครณีมีน้ําใสบัวบานสะพรั่งชูดอกสล่างดูงามตาน่าชมยิ่งนัก เราหยุดนั่งที่ม้าหินอ่อนตัวหนึ่งดูมแมลงผู้บินร่อนเฉวัตเฉวียงเวียนชมเกสร อ, อุบลด้วยความเพลินใจสายลมลมเพลยแผวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นมาลีคละคล้าด้วยกลิ่นสบายนางหอมหวนยยนจิตให้คนึงถึงความสุขสราในยามนั้นตะวันรอนยอแสงสีเมฆม่วงสลับฟ้าและไปรูปต่างๆหน้าทศนาประกอบไปมีนางงามผู้เฉิดฉายอยู่เคียง ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าฝันไปและไม่คิดว่าใครจะมีความสุขความภาคภูมิยิ่งไปกว่าข้าพเจ้าความสุขนั้นอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกันสวนและสถานีพอจะดูได้ไหมวิมล ม, มานถามขึ้นชายตามองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยสวยมากทีเดียว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 ลีดผ้า พ, พันคอด้วยความขุ่ยอายข้าพเจ้าอยู่ในวังมาช้านานไม่เคยพูดกับใครด้วยคำนี้เลยท่านเป็นคนแรกที่ได้ยินคำนี้ข้าพเจ้าตอบนางด้วยความจริงใจทำไมผู้ชายจึงชอบชมแต่ความงามของผู้หญิงไม่เห็นชมอย่างอื่นเลยผู้หญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เห็นว่าจะพอแล้วกระมังนางพูดยังก้มหน้าดูพื้นดินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า อย่างท่านนี้ไม่เพียงแต่รูปงามนามเพราะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าจิตใจยังบริสุทธิ์สะอาดและกิริยาก็น่ารักอีกด้วย ความสุขของท่านอยู่ที่ได้ชมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีให้ท่านชมอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าเคยทราบมาจากบิดาว่าการหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่นความสุขนั้นย่อมสะท้อนกลับมาหาผู้ให้การให้ทุกแก่ผู้อื่นก็เช่นเดียวกันทิดาช่างทองพูดค่อนข้างตะกุกตะกักแต่ก็ยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะใบหน้าของนางแดงระเรื่อทําให้ดูงามสดใส ย, ยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ายังไม่ทันตอบประการใดเสียงนกชนิดหนึ่งก็ร้องดังขึ้นจากพุ่มไม้หลังม้าหินอ่อนที่เรานั่งอยู่นางตกใจเผลอตัวขยับกายเขเบียดชิดข้าพเจ้าพอดีลมกระโชกมาอย่างแรงชายผ้าพันคอผือนน้อยที่นางใช้ปลิวมาพันคอข้าพเจ้าเกสาของนางฟูกระจายด้วยแรงลมมากระทบใบหน้าและคานาประสาสเมื่อนางได้สติรู้ตัว นางจึงถอยห่างออกไปแต่ดูว่ายังมีอาการตกใจอยู่เล็กน้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าต้องละอองฝนในกิมหฤรดูนกตัวนี้คงจะเป็นตัวผู้ทำไมท่านรู้มันช่างโหดร้ายเสียจริงทําให้ตกใจหมดนางตอบแล้วก็ยิ้มเหมือนขันตัวเองมันคงจะสงสารข้าพเจ้าที่จิตใจโกรวนกระววยอยากนั่งใกล้ชิดท่านมาเป็นเวลานานแล้ว มันคงจะรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงช่วยเหลือแม้จะเพียงเล็กน้อยและช่วระยะเวลาอันสั้นก็ยังดีเหมือนฟ้าแลบเพียงแวบเดียวก็พอจะมองเห็นทางอยู่บ้างนางลุกขึ้นพร้อมด้วยพูดว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อเ่าแล้วพูดหวานเกินไปพอกลับไปถึงวังก็คงจะลืมนึกถึงพิดาช่างทองผู้ชายชาววังก็มักจะพูดไพเราะแต่ต่อหน้า ความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมุลมานที่ดาช่างทองได้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนก็หาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันทุกวันเหมือนกับรอยเท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนผื้นนาในขณะลากแอกและไถมันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆรอบที่ย่างเข้าไปคนมีความรักจิตใจย่อมจะจดจ่ออยู่ในเรื่องรัก แม้จะสนทนาเรื่องใดๆก็มาจบลงที่คำว่ารักเสียทุกครั้งไปโดยเฉพาะความรักของหนุ่มไวต้นความรักทำให้คนซึ่งกระด้างหยาบคายกลายเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนหวานได้มหาโจรใจเหี้ยมซึ่งข่าคนได้อย่างไร้ความปรานีเมื่อถูกสเสนานางเขาริงรัดจิตใจก็ต้องวางดาบและคุกเข่าลงสารภาพรักกับสตรีตัวน้อยๆซึ่งไม่เคยแม้แต่จะบีมด กษัตริย์ธิราชผู้พยองแัะทะนงในศักดิ์ศรีเมื่อความรักเกิดขึ้นความถะนงนั้นก็พลันหายกลายเป็นผู้รับใช้ของเธอซึ่งกำหัวใจไว้ได้นางผู้งามเฉิดเพลิดพลายเมื่อความรักกล้ามกลายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจสิ่งซึ่งเคยหวงแหนสุดถนอมไม่เคยยอมให้ใครมาก่อนเลยนั้นก็ยอมพลีให้ได้จนหมดสิน้นความรักจะมีอิทธิพลอะไรเช่นนั้น ไล่ขณะที่ความรักของขบัตเจ้าและวิมลมานดําเนินไปได้ดีเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองข่าวร้ายเกิดขึ้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนกลางใจของเราทั้งสองคนเมื่อวันหนึ่งพระราชบิดาเรียกขบัตเจ้าข่าเฝ้าเจตุรงค์ขุนระยะนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเจ้าเจ้าหายไปไหนทุกๆวันหาไม่ได้เสด็จพ่อลูกอยู่แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจมาก ลูกจึงไม่ได้มารบกวนได้ยินว่าไปชอบลูกสาวในช่างทองอยู่ไม่ใช่หรือตรากถามอย่างตรงไปตรงมาตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นท่านตัวไม่นึกเลยว่าสเสด็จพ่อจะทรงทราบแต่เมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังอีกต่อไปรู้สึกจะเป็นทางดีเสด็จถามไปข้าพเจ้าจึงถูกรับว่าใช่พยาคาร เสด็จพ่อทรงผสวนน้อยๆมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรสงสารแจมสังเวชใจลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือข้าพเจ้ายังโค้งก้มหน้านิ่งลูกรักย่อว่าแต่เรื่องใกล้แค่นี้เลยเรื่องที่ไกลสุดปลายเขตแดนของเราพ่อก็ทราบ พ, พ่อเป็นพระชจ้าแปดินหูพยาตากษัตริย์ลูกจําไว้ย่อมได้ยินและเห็นไกลเสมอ ลูกรักเขามากหรือเสด็จพ่อทรงกลับมาถามเรื่องนี้ใหม่รักมากพยาคาเขาสมกับลูกดีหรือเขาสวยมากพยาคะลูกต้องการหญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือเขาดีด้วยพยาคาดีอย่างไรต้องเล่าให้พ่อฟังได้ไหมกิริยามัญญาติ ด, ดีสุภาเพเรียบร้อยทํางานเก่งรู้จักคุมใจเมื่อโกรธ พยาคาถ้าหากว่าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ลูกจะเอาไหมลูกมีแล้วพยาคาข้าพเจ้าตอบอย่างเกงรงผไทยเต็มที่ลูกรู้ตัวไม่ว่าลูกเป็นใครทราบพะยาคาหม่อมฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อแล้วพ่อของลูกเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพยาคาแล้วลูกเป็นอะไรเป็นเจ้าชายพยาคา แล้วลูกสะพ้ายควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าขายทองหรือทำทองขายตอนนี้ข้าพเจ้านิ่งข้าพเจ้าไม่เห็นความสำคัญเลยจะเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นหญิงหักฟืนขายก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกันเอา ว, วัยวะทุกส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าวิจิตพิสดารยิ่งไปกว่าหญิงขายขนมเบื้อง เมื่อบาดเจ็บเลือดที่ออกมาก็ไม่สีเดียวกันเจ้าหญิงก็รู้จักหิวกระหายและมีความรู้สึกอื่นๆมอนเหมือนกันมีความรู้สึกทางเพศทางรถเหมือนคนธรรมดาสามัญ ท, ทั่วไปมนุษย์ในโลกนี้เหมือนก้อนหินก้อนอิดลหลายๆก้อนที่ถูกนำไปวางในที่ต่างๆกันก้อนหนึ่งถาวางอยู่บนยอดเจดีย์คนก็กราบไหว้บูชาแต่ว่าอีกก้อนหนึ่งไปปูราดถนนเป็นทางเดิน คนก็เหยียบย่ำแต่ว่าเนื้อแท้ของก้อนอิฐนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเจ้าหญิงอาจจะดีกว่าหญิงธรรมดาก็จริงที่ว่ามีโอกาสดีกว่าในการปรับปรุงตนและก็มีโอกาสกาในการศึกษาที่ดีกว่าแต่คุณค่าของคนนั้นวัดกันที่ความประพฤติและน้ําใจมิใช่วัดกันที่ชาติตระกูลเมื่อมองในแง่นี้เจ้าหญิงมีความประพฤติไม่ดีจิตใจต่ํา ก็ยอมเป็นคนเลวเหมือนกันกับคนเลวอื่นๆข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชายแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผู้ชายธรรมดาตรงไหนมีความรู้สึกสุขทุกข์หิวกระหายและใไข้ในกามารมณ์เหมือนเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนี่เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดเท่านั้นนะครับท่านข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้กับเพื่อพ่อดอกมันเป็นการห้าวหาญและไร้บัญญาติเกินไป สำหรับบุตรที่ดีพ่อได้มองดูสตรีที่เหมาะสมกับลูกไว้แล้วเขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดีพร้อม พ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นแล้วเจ้าจะต้องชอบข้าพเจ้ายังคงนั่งนิ่งไม่ได้ทูลอะไรกับเสด็จพ่อเลยเมื่อพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉย อ, อยู่จึงตรัสต่อไปว่าลูกรักพันยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เวลานี้ลูกอายุอย่างน้อยอาจจะถือความรักในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าเมื่อลูกอายุมากกว่านี้ ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวนั้นไม่เป็นการเพียงพอในการจะดคลองชีวิตให้เกิดความราบรื่นแบบชีวิตครอบครัวลูกจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมความเหมาะสมทางการศึกษาบุคลิกภาพความโน้มเอียงและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเหมาะสมทางสังคมพ่อหมายความว่าต้องให้สังคมยอมรับว่าถูกต้องเหมาะแล้วสมแล้ว ลูกยังจะต้องอยู่ในสังคมและสังคมที่ลูกอยู่นั้นม่ใช่ว่าจะเป็นสังคมธรรมดาแต่เป็นสังคมชั้นสูงชายาของลูกจะต้องเข้ากับสังคมและเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทและแนบเนียนลูกจะทนไหวหรือถ้าหากว่าหญิงอันเป็นที่รักของลูกนั้นถูกรังเกียจเหยียดหยามจากคนรอบด้านลูกต้องไม่ลืมว่าสังคมในเมืองเรานั้น ยังมีการถือชั้นวรนะถือชาติถือตระกูลกันอย่างรุนแรงพระราชบิดาทรงหยุดเพียงเท่านี้คอยสังเกตกิริยาของขาปาว่าจะมีความรู้สึกประการใดขา้ายังคงนั่งเฉยแม้ปากจะไม่ได้พูดแต่ใจของข้ า, าก็คิดคิดถึงตัวเองและวิมลมานยอดหญิงซึ่งข้ า, ร, ารักอย่างถอนตนไม่ขึ้น ทำไมมนุษย์จึงยอมอยู่ภายใต้าการจองจําของสังคมซึ่งมีแต่ความปิ้นป้อนหลอกล่อสับกรับและแปรผลันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวไม่ได้จะทําอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคํานึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสีหมดสังคมจึงกลายปเป็นเครื่องจองจําชนิดหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งสําคัญตัวเองว่าจะเริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อผูกพันมัดตัวเองให้อึดอัดน่ารำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางร่างกายและจิตใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์ดิฉ า, านบางประเภทไม่ได้มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอตัวอย่างเช่นฝูงวีหกนกกา มนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้ก็คือเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียรตินั้นเป็นภาระที่หนักอึ้งของมนุษยชาติสัตว์ดิราชานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติคงเหลือแต่เรื่องการและเรื่องกินนักพรตอย่างท่านนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกาม คงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้มากและการกินอย่างนักพลดกับการกินอย่างผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่คือผู้บริโภคกามนั้นยังหนานั่นอยู่ด้วยความรู้สึกทางโลกียวิสัยเมื่อกินบางทีก็กินเพื่อให้ยั่วยุกามร ม, รมทำการมารมให้กำเริบและต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติ ตลอดกินอย่างพิสดารก็มีไม่ใช่กินเพื่อให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายของคนเรานั้นไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่ว่าเมื่อมีเกียรต์เข้ามาบวกด้วยก็กลายเป็นเรื่องที่กินอย่างมีเกียรกินอย่างเกียรติยศและแล้วก็มีภาระตามาอย่างหนักหน่วง คนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่ก็จําตกองทำเหมือนโครหรือควายซึ่งเหนื่อยนายต่อแอกและไถแต่ก็จําใจต้องลากมันไปลากมันไปอนิจจาเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่นานพระราชบิดาจึงตรัสขึ้นเหมือนทรงทราบความนึกคิดของข้าพเจ้าว่าลูกรักสังคมนั้นเป็นปัญหาใหญ่และก็เป็นเรื่องสําคัญ เมื่อลูกจะอยู่ในสังคมลูกก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแม้ว่าระเบียบแบบแผนนั้นบางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นเลยแต่ว่าเมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติกันเสียแล้วเราก็ต้องทําทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะทําพ่อเองเป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในหมู่ชนแห่งแว่นแควนปัญจาลนี้แต่พ่อก็ต้องงอสังคม ทั้งทั้งที่พ่อเขามีอิสระที่จะทำหรือไม่ทำอะไร อีกอย่างหนึ่งเดิมทีนั้นมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วไปแต่เมื่อการเวลาล่วงเลยมามนุษย์รู้จักอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่ารู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมให้มาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อยๆการจัดระเบียบสังคมขึ้นนั้นเดิมทีก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับหมู่นั้นขณะนั้นและการวางกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนเอารัดเอาเปรียบกัน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 ซึ่งอาจจะถูกใส่ความก็ได้เกียรติของหมูห่คณะหรือของสังคมนั้นอยู่ที่ความมีระเบียบลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าหมู่ใดคณะใดไม่มีระเบียบหมู่นั้นคณะนั้นก็ไรเกรียรติการจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบและระเบียบทำให้งามหน้าดูหน้าชมแตกต่างไปจากสัตว์ดิรัชานครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม สังคมเป็นรากฐานของประเทศการปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัวถ้าสภาพขอครอบครัวคลอนแคลนเสียแล้วก็เหมือนเรือซึ่งมีรูรั่วมากมายจะแล่นไปไกลสักเท่าใดแม้จะประดับประดาธงทิวตกแต่งอย่างสวยงามแต่เพียงหลอกตาเท่านั้นคนในเรืออ่อนละเวงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขได้อย่างไรในครอบครัวแต่และครอบครัวนั้น แม่บ้านหรือพัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีพัญญาดีเป็นสีแก่บ้านเรือนและลูกหลานมีพัญญาไม่ดีเหมือนนำเอาขยะบุญฝอยมากองไว้ในบ้านลูกต้องคิดว่าสตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่เพียงชายาของลูกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วยลูกที่มีแม่ดี เป็นสงาราศีเป็นโชคดีของเด็ดอย่างล้นเหลือลูกที่มีแม่ไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีแห่งสกุลจะเป็นการทรมานจิตใจของลูกในอนาคตให้บอบชำ้ำพระบิดาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็หยุดจู่ดูเหมือนพระองค์มีพระประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพูดบ้างข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูลเพราะไม่สนใจกับผู้หญิงที่พระบิดาตรักนั้นเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ว่า เสด็จพ่อจะให้หม่อมชันอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงองใดข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าหญิงองคใดองค์หนึ่งในหัสตินาปุระนครนี้เจ้าหญิงจุรารัฐแห่งสาขรนครแคว้นมัทะพระราชบิดาตรัสอย่างภาคภูมิพระทยัย คามจริงก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิอยู่นท่านเจ้าหญิงแห่งแคว้นมัท t h ได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่างามที่สุดในชมพูทวีปจนถึงขั้นคติยะนารีแห่งแคว้นนี้มักจะมีนามว่ามัททีหรือมัสซีอยู่เสมอแทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์แต่กลับเฉลิมพระนามตามชื่อแคว้นเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัทซีนั้นมาจากแคว้นมัท t h เป็นถิ่นของคนงามอย่างแท้จริงเหมือนมาซึ่งมาจากแคว้นกรัรมพชะเป็นที่เชื่อได้ว่าต้องเป็นม้าพันธุ์ดีและผ้าซึ่งมาจากแคว้นกาสีซึ่งเรียกว่ากาสิกพัทจะได้ใช้ก็เฉพาะคนชั้นสูงที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นแลแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้นำพระราชสารการติดต่อระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสา克า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 ได้เจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุฬารัตน์อภิเสกสมรสกันลูกรักเชื่อพ่อทะลูกลูกควรจะอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องแห่งราชบัลลังก์ฮัสตินาปุระต่อไปในภายหน้าและลูกทั้งสองคือหมายถึงหลานจุฬารัตน์ด้วยจะเป็นเสมือนชัดแก้วแห่งแคว้นมัท t และปัญจาร เจาได้ออกจากที่เฝ้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้ารักอีกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้าต้องการอยู่สมเด็จพระราชบิดานั้นข้าพเจ้ารักด้วยและกะตันอยู่ด้วยส่วนวิมลมานข้าพเจ้าทั้งรักและสงสารยิ่งนึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเสกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ด้วยแล้วก็ให้รู้สึกสงสารจับใจดวงใจของเธอจะต้องชอกช้ำระบมเสือเพียงใดหนอะ ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องบอกความจริงแก่นางสียีดังนั้นเวลาเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันธะมหาเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมหวานมีใบหน้าเอิบอิ่มน่ารักน่าถนอมอยู่เสมอเราคงไปสนทนากันที่สวนหลังบ้านและที่ม้าหินอ่อนริมสารนั่นเอง ข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างรึกซึ้งไม่ร่าเริงเหมือนอย่างเคยนางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรานทะท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือจึงดูหมดหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่ข้าพเจ้าจะตอบคำถามของนางข้าพเจ้ากลับถามว่าที่รักถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะยังรักข้าพเจ้าอยู่หรือ นางตอบห้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนอยากจะเป็นคนวรณะตระกูลใดข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้าไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทะต่างหากฟังดูสิท่านเธอผู้นี้ชอบพูดสั้นๆแต่ว่ามีความหมายกินใจยิ่งนักไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่น แต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะทั้งหาช่างเป็นถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานและนิ่มนวลเสนิห์กระไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอกแต่ในที่สุดก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้เพราะไหนไม่ช้านางก็จะต้องทราบเรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบนางฟังอย่างตั้งใจ แรกๆดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยางามทลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทําความเคารพข้าพเจ้าเยื่ยงพลเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่ตอเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีกข้าพเจ้าตรงดึงแขนของนางขึ้นมาพร้อมได้พูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุรานันทะ ไม่ใช่พระวัรณนะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเก๋ยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ําตาเ อ, อือที่เบ่าตาทั้งสองพระองค์ไม่ใช่สุรานันทะแต่เป็นเจ้าชายจัตุรงคพลปนรัชทายาทแห่งหาสตินาภุรนครหม่อมฉันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมฉันไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมฉัน เป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิด เจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนสช่นานนางจึงยอมและข้าพเจ้าก็ปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าก็คงรักนางไม่สางสาคนเดียวที่ข้าพเจ้าขอมอบหัวใจไว้ทั้งหมดก็คือนางนั่นเองและข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมด รวมอยู่ที่ท่านข้าพเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียวถ้าท่านโกรธหรือเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะระลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลาบากยากเห็นหรือตกทุกข์ได้ยากณแห่งฝนตะนใดข้าพเจ้าขอยึดคําว่ามรักของท่าน เป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่เพียงผู้เดียวสําหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเสกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจถดว่าข้าพเจ้าจําใจต้องทําเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้นกล้าวต่อข้าพเจ้า หน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่องส่วนหัวใจเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วยแ ล, แล้วแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจับหัดเบื้องขวาของนางชูขึ้นเสมออกของข้าพเจ้าแสงอเริงอรัยของธนกรเมื่อจวนย่ำสนธยาสาดมากระทบมือนาง มองดูสะอาดสุขใสประดุดแผ่นทองคำข้าพเจ้าก้มลงจุมพิษเพียงแผ่วเบาถ่ายปลาและความรู้สึกทั้งมวลลงหลังหัสและองคุรีที่สวยงามและแล้วได้นำหัดจ้าองคุรีที่สวยงามนั้นมาวางณอุระประเทศเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าเป็นทํานองมอบหัวใจให้อยู่ในอุ้งมือของนางเป็นหัวใจที่แท้จริงและเต็มไปด้วยความรู้สึก ส่วนหัวใจที่ผู้อื่นเอาไปนั้นเป็นหัวใจที่ตายซากแล้วเหมือนกล้วยที่ยืนต้นตายเมื่อถูกตัดเครือออกแล้วฉะนั้นสาวน้อยได้โอนอ่อนผ่อนตามต่อคําพูดและอาการของข้าพเจ้าทําให้นางสงสารอย่างจับจิตประดุดอสรพิษหมูเหลือมไรถูกมัดรัดกายด้วยใยกล้วยตานีก็พลันนอนสงบนิ่งจุดอ่อนของวุนารีอยู่ตรงที่ถูกว้าววอนด้วยคําหวาน ให้เกิดความสงสารและเห็นใจอีกประการหนึ่งเหล่านางรู้สึกว่าวันเวลาจะคบกันอย่างนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วความพลัดพรากจะมาถึงในไมช่ช้าจึงตามใจข้าพเจ้าเส ม, มือนเพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้ายดังนั้นนางจึงเองียงทิะลงวางบนไหลเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวลเหมือนพระพายกระพือพัดเมฆามากระทบไหลเข้าก็ปานกัน รสสัมผัสที่นุ่มดวนเย้าวยวนให้เกิดความว่าหวามในดวงจิตแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นการคล้าเคลียอย่างถนอมท่านอย่าพึงนึกโทษวิมานมนเลยว่าเป็นหญิงใจง่ายถ้าท่านเคยมีความรักท่านจะเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ในห่วงแห่งรักว่ากระวนกระวายสักปาใดองค์ชายข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้านมาจากภูเขาหม่อมฉันไม่มีหัวใจจะรักใครได้อีกแล้ว นอกจากองชายเพียงผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้นน้องหญิงขอให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าน้องหญิงเถิดเป็นคําที่ไพเราะนุ่มนวลข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอมอบดวงใจนี้ให้น้องหญิงเพียงผู้เดียวความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงนั้นมากลน้นเกินกว่าที่จะสรรหาคําใดมาพูดให้เหมือนความรู้สึกของดวงใจได้ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่าความรักทั้งหมด ที่ข้าพเจ้ามีต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อ น, นำมารวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อน้องหญิงถ้าข้าพเจ้าจำใจต้องแต่งงานกับหญิงอื่นก็เป็นเพราะความรู้สึกกรตันญูในโอวาทของสมเด็จพระราชบิดาผู้มีพระคุณล้นเกล้าแต่ความรักข้าพเจ้าได้มอบให้น้องหญิงหมดแล้วการแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้ ขอบพระคุณองค์ชายที่กรุณาประทานเกียรติให้หม่อมฉันมากถึงป่านนี้ชาตินี้หม่อมฉันอภภาพอัิโชคสิ่งที่หม่อมฉันต้องการมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่พยายามหลีกหนีมักจะมีมาหาอยู่เสมอเพียงได้สดับพระดำรัสขององค์ชายเท่านี้หม่อมฉันก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนที่รักหม่อมฉันจริงๆและผู้นั้นเป็นผู้ที่สูงสักด์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดิน สำหรับความรักของหม่อมฉันที่มีต่อองค์ชายนั้นได้ขึ้นถึงที่สุดแล้วจะไม่ขึ้นและไม่ลดอีกคงจะรักษาอยู่ในระดับนี้ความสุขของหม่อมฉันอยู่ที่ได้รักองค์ชายและทราบว่าองค์ชายรักหม่อมฉันเหมือนกันนางพูดเท่านี้แล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ความสุขของข้าพเจ้าก็อยู่ที่ได้รักน้องหญิงและทราบว่าน้องหญิงก็รักข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว รัชสมบัติในปตัตภีมณฑนนี้รวมกันยังมีค่าไม่เท่าน้องหญิงข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดๆที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วยมิมนมานเงยหน้าขึ้นแววแห่งปีติฉายออกมาจากปายหน้าและแววตาของนางแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีน้ําตาพลั่งพลายอยู่ที่เบ้าตาทั้งสองแต่ไม่ประหลาดเลยใช่ไหมท่านผู้หญิงนั้นดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ ดีใจก็ดื่มเมรัยเสียใจก็ดื่มสุราเลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะดีใจหรือว่าเสียใจกันแน่ทำงานเหนื่อยมากก็ดื่มสุราอ้างว่าเพื่อบำบัดความเราโหยให้ซาสางเมื่อว่างมากเกินไปก็ดื่มสุราโดยอ้างว่าไม่ท ร, ราบพอจะทำอะไรข้าพเจ้าประคองเธอให้ซบลงที่แผ่นอกเหมือนพ่อนกหรือแม่นก ลางปีกออกปกป้องลูกน้อยซึ่งสั่นสะท้านเพราะลมหนาวสาวน้อยที่ดานในช่างทองผู้มีนามว่าวิมุลมานมีอาการเส ม, มือนหนึ่งว่าจะเริ่มจับไข่อย่างนี้เองดารุณีไว้กำดัดผู้ไม่เคยรู้จักสัมผัสเชิงชูสาวเริ่มรู้สึกหนาวๆร่อนๆเมื่อถูกชมข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะเรื่องของข้าพเจ้านั้นถ้าจะเล่าให้ค่อนข้างละเอียดแล้ว จะต้องฟังกันถึงสองหรือสามคืนเวลานี้ก็จวนจะถึงกึ่งมัธิมยามแล้วข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพักผ่อนบ้างจึงขอเล่าอย่างรวบรัดว่าข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาคันว่าจะรักกันแม้จะคลองกันแต่เพียงใดก็ตาม ในที่สุดพิธีมงคลอภิเษกสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุฬารัตน์แห่งส า, า, าคนานครก็มาถึงพิธีมโหฬารปานว่าจะมีมหลาศพทั่วแคว้นปัญจาละประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสู่นครหลวงหัสตินาปุระเพื่อชมพิธีอภิเษกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชมเจ้าหญิงจุฬารัตน์ผู้มีนามประเดื่องว่างามเลิศปานานางฟ้า ธงทิวเปลวสวยัยมีไฟหลากสีห้อยย้อยระยะพวกถนนทุนทางประดับประดาอย่างวิจิตพิสดารเพลิดพายมีเสียงชายโยโห่ร้องแสดงความยินดีพีดาอยู่เป็นระยะระยะความงดงามอัมภัยพันในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านั้นสุดที่จะนำมาพรรณนาให้สิ้นสุดได้ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้ก็คือ ความสงสารและเห็นใจวิมุลมานในขณะที่คนทั้งหลายกําลังสนุกกันอยู่ดันใครเล่าจะซืมเศร้าและงอยแงาวเปล่าเปลียวถ้าวิมุลมานและข้าพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันมันเจเิดเฉิดฉายเยี่ยงคู่สมรส อ, อื่นๆแม้จะพยายามอําพลางกิริยาให้ร่าเริงสักปานใดก็ตามก็ไม่สําเร็จท่านผู้ บ, บําเพ็ญตบะข้าพเจ้าไม่ได้ถือวิมุลมานเป็นเพียงเพื่อนอารมณ์แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจ เมื่อขาเธอเสียแล้วจิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นประการใดขอท่านได้โปรดตรองดูเถิด เจ้าหญิงจุรารัตน์เป็นสตรีที่สวยงามสมคำเล่าหรือนอกจากนี้ยังมีพระอัธยาสายที่งามน่ารักแต่ว่าความรักของข้าพเจ้านั้นได้มอบให้ธิดาช่างทองจนเกลี้ยงหัวใจไปเสียแล้วประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอจะระทมเศร้าสักปานใดในเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วทาให้ข้าพเจ้าเห็นการเอาอกเอาใจของเจ้าหญิงจุรารัตน์เป็นเรื่องลำคาญ ถ้าเจ้าหญิงจุฬารัตน์สนิทสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าจะรักน้องคนนี้เป็นที่สุดรักอย่างน้องนะท่านคนเราคบกันได้รักกันได้หลายฐานะอย่างเพื่อนอย่างพี่หรืออย่างน้องต้องคอยสังเกตดูให้ดีว่าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะใดถ้าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะเพื่อนแล้วเราไปแสดงท่าทีแบบรักเข้า เขาอาจจะราเข้เกตขึ้นมาทันทีความเป็นเพื่อนก็พลอยเสียไปด้วยหรือเขารักเรานับถือเราอย่างพี่อย่างน้องก็ทำรองเดียวกันแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องการแปลสภาพของความรักหมายความว่าความรักอย่างเพื่อนอย่างญาติในขั้นต้นนั้นอาจจะแปลสภาพเป็นความรักอย่างคนรักในขั้นต่อมาก็ได้เรื่องจะเป็นประการใดกิริยาที่แสดงออก เ, เครื่องบ่งอย่างชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาต้องการจะคบเราในขอบเขตที่จํากัดเราก็จะแสดงอะไรอย่าทําอะไรให้เลยขอบเขตที่ฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะการทําเลยขอบเขตนั้นนอกจากจะ ก, กอ่อความรําคาญให้เขาแล้วเมื่อหลายครั้งหลายหนเขา้าเขาอาจจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังเอาก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องไม่อยากจะพบไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะเกรงว่าจะถูกเอาอกเอาใจจนน่ า, ารําคาญ สุภาษิตมีอยู่ว่าจงให้เท่าที่เขาต้องการและจงทําเท่าที่เขาต้องการให้ทําเมื่อได้ความพอเหมาะพอดีทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไปเองข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นเวลาสองปีท่ามกลางความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดาและพระประยุร ญ, ญาติแต่ว่าด้วยความเหงาหวายเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้าเราไม่มีโอรสหรือธิดาด้วยกันเลย คราวนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนอีกแต่ว่าข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเมื่อตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วเราทั้งสองหมายถึงเจ้าหญิงแหละร้าพเจ้าก้าวลงสู่อุทยานเพื่อพักผ่อนและเดินเล่นเย็นๆขณะที่เดินมาถึงพู่ไม้แห่งหนึ่งงูใหญ่ตัวหนึ่งก็เลื้อยออกมาเจ้าหญิงตกพระทัยมากเธอวิ่งหนีงูและบังเอิญพระชงไปกระแทกกับแง่หินก้อนหนึ่ง ซึ่งวางไวเป็นรูปต่างๆประดับแอ่งน้หนิรุทยานเป็นบาดแผลเล็กน้อยเพราะโลหิตไหลซึมออกมาข้าพเจ้าเข้าประคองพระนางและก็นำกลับสู่พระราชฐานต่อมาบาดแผลเล็กน้อยนั้นค่อยขยายโตขึ้นโตขึ้นแผลก็ลึกลงลึกลงแพทย์หลวงพยายามรักษาเท่าไรก็ไม่หายความเจ็บปวดรวดราวได้เพิ่มทวีขึ้นทุกวัน ปากแผลเริ่มเขียวและขอบแผลแข็งความทุกข์ทรมานแห่งเจ้าหญิงจุรารัตน์ทำให้ขบัตเจ้าปวดร้าวใจไปด้วยวิบูลมานทราบข่าวนี้วิตกกังวลยิ่งนักเธอขออนุญาตเขาเยี่ยมเจ้าหญิงด้วยความห่วงใยดูสิท่านน้ำใจแห่งวิบูลมานซึ่งขบัตเจ้ามอบความรักให้เธอไม่ผูกพยาบาทแม้ในสตรีทึ่งมาแย่งความรักของตนในที่สุดเจ้าหญิงจุรารัตน์ก็สิ้นพระชนไปด้วยโรคนี้ ต้นพระชนของเจ้าหญิงจุรารัตก็ให้เกิดความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รักพระนางอย่างที่รักมีมนมานแต่ว่าความสงสารในดวงจิตนั้นมีอยู่มากท่านเอ๋ยแม้สุนัขที่มันจงรักภักดีต่อเราเราก็ยังอดสงสารมันไม่ได้และมนุษย์ที่เพียบพร้อมในคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดีเราจะไม่มีน้ำใจนึกถึงเขาบ้างเลยเถอหรือ ตลอดเวลาที่นางมีกําลังกายอ่อนลงอ่อนลงนั้นแหวลพระเนตรฉายแต่ความพักดีออกมาอย่างชัดเจนขบะเจ้าเฝ้าอยู่ใกล้พระนางตลอดเวลาคอยปลอบพระไทยแต่พระนางดูเหมือนว่าจะทรงทราบว่าความรักที่ขบะเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความรักและความพักดีที่พระนางมีต่อขบะเจ้าพระนางพร่ำลำพันถึงแต่ชื่อของขบะเจ้าเสมือนเป็นเทพเจ้าประจำองค์ อนิจจาจุรารัตถ้าเธอมาก่อนวิมลมานเธอจะได้รับความรักจากข้าพเจ้ามิใช่น้อยแต่ว่าเธอได้เข้ามาสู่หัวใจของข้าพเจ้าเมื่อหัวใจไม่ว่างเสียแล้ว ได้ล่วงไปหเดือนข้าพเจ้ากราบทูลสมเด็จพระราชาธิดาเพื่อขอพระบรมราชานุญาตทาการอภิเสกสมรสกับวิมุตมานพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตแม้จะไม่สู่เต็มพระทัยนักก็ตามตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าและวิมุตมานไม่ได้พบกันเลยแต่ความรักของเรานั้นยังคงแนบสนิทดังเดิมต่อเมื่อเจ้าหญิงจุราลัตสิ้นพระชนแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าและวิมุตมานจึงได้พบกัน ความสดชื่นกลับระสู่ดวงใจของเราทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ดีใจในการจากไปของเจ้าหญิงจุฬารัตเลยแต่เราก็พอใจที่ได้มีโอกาสสมาคมกันอย่างที่เคยมาระยะเวลาสองปีเศษทำให้วิมลมานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างและเคล่งมคลึมลงมากไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าคงยังอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเดิมเมื่อวิมลมานเข้ามาอยู่ในพระราชวังแล้ว โดยพระบรมาราชานุมัติของสมเด็จพระราชบิดาพระราชบิดาได้สถาปนาให้เธอเป็นเจ้าหญิงวิมนลมานรู้สึกว่าเธอมีความสุขขึ้นและสดใส ย, ยิ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งทำความลำบากใจแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอก็คือว่าการประชดประชันกระทบกระแทกเสียสีจากพระญาติบางพระองค์ซึ่งยังคงฝังพระทัยแน่นอยู่กับเรื่องเชื้อสายสกุลวง์เนื่องจากว่า พี่มนมานมาอยู่ในพระราชวังเสนานสเสวยรคแต่ของซึ่งคุ้นแต่กับลิ้นของชาววังบางครั้งจึงอยากสเสวยอาหารซึ่งปรุงอย่างธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยสเสวยม่อยู่บ้านช่างทองบ้างก็สั่งคนห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนาพร้อมจะบอกวิธีให้เสร็จต่อหน้าก็ก็รับคำและเคารพรบนอบดีแต่ว่าพอรับหลังก็แอบเอาไปสุบสิบดินทากันว่าเป็นชาติพลาย ปรุงอาหารให้กินดีๆก็ไม่อยากจะกินอยากกินของเรวๆคนชาติไพรจะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ไหวเดินลงไปหาที่ตามอีกพูดไปด่าว่าเสสีไปพร้อมได้ออกพระนามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าบางเอื่วันหนึ่งขณะที่ห้องเครื่องกําลังพูดกันอยู่นั้นข้าพเจ้าและวิมุนมานก็มีธุรกิจบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านห้องเครื่องข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึงไม่นึกว่า จะได้ยินคําพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่องวิมลมานเม้มริมทีม่ปากแน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกเล่าร้อนให้จมหายลงไปข้าพเจ้าเรียกคนห้องเครื่องออกมาพบและสั่งให้ทำอาหารอย่างที่วิมลมานสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันและทุกๆุมือด้วยวิมลมานเดินต่อไปไม่ไหวจึงกลับเข้าห้องด้วยดวงใจที่เต็มด้วยโธมนัทเธอฟุบลงที่หมอนและร้องไห้ เพื่อนที่ปลอบใจผู้หญิงได้เสมอเมื่อประสบทุกข์โทรธนัดอย่างรุนแรงก็คือน้ําตาข้าพเจ้าปลอบเธอขอร้องให้เธอไม่ให้ถือคําพูดปล่ๆของหญิงพวกนั้นหมอมชั้นอยากกลับไปอยู่บ้านจะอย่างไรอย่างไรมันก็เคยให้ความสุขแก่หมอมชั้นมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ถ้าหมอมชั้นรักพระองค์น้อยกว่านี้หมอมชั้นคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ สิ่งเดียวที่คอยปลอบใจหมอมฉันให้มีความสุขอยู่บ้างก็คือความรักความถนอมของพระองค์ความรักมันให้ความทรมานทั้งสมหวังและผิดหวังเมื่อความรักสมหวังแล้วเรื่องก็น่าจะจบแต่ว่าเรื่องของโลกนั้นช่างมากเสียจริงๆอดทนหน่อยที่รักโอกาสแห่งความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้งสองนั้นคงจะมีสักวันหนึ่งเป็นแน่แท้ ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเรายึดมั่นในความรักและรักษาสุจริตไว้แล้วมันก็จะค่อยๆทาลายอุปสรรคที่ขัดขวางไปได้เองอีกสองปีที่ข้าพเจ้าอภิเสกสมรสกับวิมุตมานแต่ไม่ปรากฏร่องรอยว่าจะมีโอรสหรือธิดาเลยคราวนี้ข้าพเจ้าก็เดือดร้อนกังวลมากวิมุมานก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าข้าพเจ้า สมเด็จพระราชบิดาก็เร่งเราอยู่เสมอว่าทวิมนมานไม่สามารถมีโอรสได้ก็จะหาสตรีอื่นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อมีโอรสสืบสันตติวงศ์แต่พ อ, อย่างเขาปีที่สาม่ิมณมานก็ตั้งครันนำปีติปราโมทมาให้ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงพวกเราส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่ว่าผู้ที่ไม่มีบุตรเมื่อตายแล้วจะต้องตกนรกขุมปุตตะข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญพจน์ ในเรื่องนี้ท่านหรือศาสดาของท่านมีความคิดอย่างไรดูกนราชกุมารบุคคลบางพวกเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีบุตรบางพวกเดือดร้อนเพราะมีบุตรมากเกินไปบางพวกถือว่าผู้มีบุตร ย่อมได้รับความบันเทิงใจพระบุตรผู้มีโคย่อมได้รับความบันเทิงใจพระโคบุคคลจะบันเทิงได้ก็เพราะมีสิ่งยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งยึดถือความบันเทิงเรืองใจก็ไม่มีแต่ว่าพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกพระบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกพระโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งยึดถือยึดมั่นและถือมั่น เมื่อปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดมั่นไม่ถือมัน่นความทุกข์ก็ไม่มีความโศกก็สิ้นสูญพระนนกล่าวจบพระราชกุมารจะตรงข้าพลก็มีพระพักตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะเมื่อวิมลมานมีคันได้เจ็ดเดือนเธอก็สุบินนิมิตประหลาดคือสุบินว่าเธอได้เสเวยแผ่นดินในแคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงนี้ทั้งสิน้น ถึงกระนั้นก็ยังไม่อิ่มยังอยากเสวย อ, อีกโฮราจาร์ทำนายว่าพระนางจะมีโอรสเป็นชายและโอรสนั้นประสูตรมาเพื่อจะเผาผลาญแผ่นดินให้วอดวายแต่ว่ามีวิธีแก้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้พระนางไปประสูตรในป่าใกล้แม่น้าคือป่านั้นจะต้องตั้งอยู่ริมแม่น้าด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความหนักพระทยัย แต่ทรงให้ปฏิบัติตามที่โฮราจาร์ทำนายประการหนึ่งอยู่ที่พระองค์ไม่สู้จะโปรดวิมลมานเป็นทุนอยู่แล้วคราวนี้ข่าวก็แพร่ะสะพัดไปว่าวิมลมานเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะมีโอรสมะเผาผานแผ่นดินทั้งนี้เทวดาประจาเสวยตฉัดคงจะลงโทษเพราะวิมลมานไม่มีเลือดกริยัเป็นหญิงธรรมดาเมื่อวิมลมานจาต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่า ขบเจ้าก็ต้องไปด้วยขพเจ้าออกมาสำรวจสถานที่และพอใจที่สึ่งท่านและขพเจ้ากําลังอาศัยอยู่เวลานี้มหาเดกของขพเจ้าผู้จงรักภักดีได้ช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมและแผ้วถางทางพอสบายวิมนมานมีความรู้สึกสุขมากขึ้นเมื่อมาอยู่ในป่าเสด็ได